จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงี่ใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองกุกาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญกัน การทำบุญนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ได้อยู่ที่การกินเจรหรือไม่กินเจการกินเจเฉยๆนี้ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดเพราะกินผักถ้าเป็นบุญพวกวัวควายก็คงจะได้บุญกันเยอะเพราะพวกวัวควายนี้เขากินผักกินหญ้าการเป็นปกติถ้าการกินผัก การไม่กินเนื้อสัตว์เป็นบุญพวกวัวควายพวกสัตว์ที่กินผักกินหญ้าก็จะต้องได้บุญมากแต่ความจริงแล้วบุญไม่ได้อยู่ที่การกินกินผักกินหญ้าและบาปก็ไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์บุญกับบาปอยู่ที่การทําบาปหรือไม่ทําบาป ถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นบาปถึงแม้เราจะกินเจแต่เราไปตบยุงไปฆ่ามดอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่ไม่ได้บุญแต่อย่างใดในทางตรงกันข้าถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายด้วยด้วยดวยการกระทําของคนอื่นไม่ได้เป็นการกระทําของเราเองหรือเราไม่ได้สั่งให้เขาทําให้เรา การกินเนื้อสัตว์นี้ก็ไม่เป็นบาปแล้วถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ได้บุญบุญอยู่ที่การไม่ทาําบาป5ข้อด้วยกันคือ1การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การไม่ลักทรัพย์ 3. การไม่ประพฤติผิดปรเวณี 4. การไม่พูดปดและ 5. การไม่ดื่มสุรายาเมา และของบุญเมาต่างๆถ้าเราละเว้นการกระทาทั้งห้าข้อนี้ได้เราก็จะได้บุญถึงแม้ว่าเราจะรับประทานเนื้อสัตว์แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือไม่ได้สั่งให้คนอื่นเข้าฆ่าให้เราเราก็ไม่บาปเราก็ได้บุญดังนั้นก็อยากจะให้ญาติโยามได้ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ก็ไม่ห้ามเรื่องการกินผักกินเจมังสวิรัตอันนี้ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนกินได้แต่อย่าไปคิดว่าการกินผักการถือมังสวิรัตนี้เป็นบุญเท่านั้นเองบุญไม่ได้เกิดจากการรับประทานผักไม่ได้รับไม่ได้เกิดจากการถือมังสวิรัติละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ และบาปก็ไม่ได้เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ถ้าเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานนี้เราไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าและสําหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ให้รับเนื้อสัตว์ที่ญาติโยมทำมาโดยเจาะจงเช่นญาติโยมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ อยากจะทาบุญก็เลยฆ่าไก่ฆ่าเป็ดแล้วก็เอามาถวายพระแล้วก็บอกกับพระว่าได้ตั้งใจฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้เพื่อมาทำบุญถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระไม่ควรจะรับเพราะว่าเป็นการเจาะจมที่จะทำลายชีวิตเพื่อมาทำบุญเพราะว่าการกระทำแบบนี้ มันได้ไม่คุ้มเสียการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้บาป ก, กว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์นี้มาถวายพระมีโทษมากกว่าบุญที่เราได้รับจากการเอาเนื้อสัตว์มาทำบุญดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยเนื้อสัตว์ก็ให้เราไปซื้อของที่ตายแล้วในตลาดถ้ามีของที่เขาชำและเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว อย่างนี้เราจะซื้อไม่ซื้อเนื้อสัตว์นั้นมันก็ตายไปแล้วและบาป ก, ก็เป็นของคนที่เขาฆ่าสัตว์นั้นไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาซื้อเนื้อสัตว์ไปรับประทานถ้าเราอยากจะได้บุญพระพุทธเจ้าบอกว่ามีบุญอยู่1ิบชนิดด้วยกันของพระพุทธศาสนาที่ทำแล้วจะได้บุญ บุญข้อที่หนึ่งก็คือทานการให้การให้นี้จะทำให้เราได้บุญเพราะจะทำให้เรามีความสุขใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจทาแล้วมีความสุขใจเรียกว่าบุญเช่นเราวันนี้เอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานต่างๆมาทำบุญมาถวายพระการกระทำนี้เรียกว่าทานการให้ ให้กับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานเรียกว่าให้เป็นการให้เรียกว่าทานแล้วผลที่เกิดจากการให้นี้เรียกว่าบุญคือความสุขใจเรามาทำบุญ <c oughs> ก็คือเรามาสร้างความสุขใจให้กับเราด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองที่เป็นของเรามาให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นของคนอื่นนี้เราจะไม่ได้บุญ <c oughs> เช่นคนอื่นก็ฝาก ของมาให้เรามาทำบุญให้เขาเราจะไม่ได้บุญจากการให้เราจะได้บุญจากการที่เราได้นาเอาข้าวของของเขามาทาบุญให้เขาอันนี้เป็นบุญคนละเรื่องกันคนละอย่างกันก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความหนักเบาต่างกันและอ น, นิสงส์ที่จะได้รับในอนาคตก็ต่างกัน ถ้าเราทำบุญด้วยของของเราก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอเราต้องการเงินเราก็ไปเบิกได้เพราะมีดอกเบี้ยให้ด้วยบุญที่เราทำในชาตินี้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์เราก็จะมีเงินทองที่เราทำบุญนี้รอรับเราอยู่เราก็จะไม่กลับมาเกิดยากจน จะกลับมาเกิดมีฐานะดีกว่าปัจจุบันนี้เพราะว่าเรามีดอกเบี้ยจากการที่เราฝากเงินไว้ในธนาคารบุญด้วยนี่คือประโยชน์หรือบุญที่เราจะได้รับจากการให้ทานการให้ทานนี้เราจะให้ไข่ก็ได้เป็นบุญเหมือนกันให้กับพระให้กับญาติพี่น้องคาววะญาติยยงอันนี้ ผลได้เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจไม่ไม่ไม่เลือกว่าผู้รับจะเป็นใครอยู่ที่ผู้ให้ว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับก็จะได้บุญร้อเอร์ซถ้าให้ด้วยการมีเงื่อนไขอยากจะให้ผู้รับ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบุญและอาจจะเป็นความไม่สบายใจก็ได้เช่นเราให้อะไรเขาแล้วเราหวังให้เขาดีกับเราแต่พอเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเสียใจดังนั้นเวลาเราทำบุญเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดความเสียใจเราอย่าไปหวังอะไรเป็นผลตอบแทนจากผู้รับ ให้เขาไปแล้วก็แล้วกันไปเขาจะดีจะร้ายกับเรานี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เพราะบางเวลาเขาก็อาจจะมีอารมณ์ไม่ดีก็ได้เขาก็อาจจะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราเราต้องมีความเมตตาเราก็อย่าไปถือสาให้อภัยแล้วเราจะรักษาความสุขใจที่เกิดจากการให้ของเขาได้ เราจะไม่เกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมานี่คือการทำบุญจิตใจของเราต้องบริสุทธิ์อย่าไปหวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณก็อย่าไปหวังให้เพื่อให้เขามีความสุขพอเราเห็นว่าเขามีความสุขจากการให้ของเราเราก็จะมีความสุขขึ้นมานี่คือการทำบุญทำกับใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกัน ไม่ต่างกันทำกับพระทำกับคารวาสหรือทำกับสุนัขแมวหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้ความสุขใจเหมือนกันนี่คือเรื่องบุญแต่ทาไมถึงมีการบอกว่าให้เลือกทำบุญกับคนนั้นคนนี้เพราะจะได้บุญมากกว่าอันนี้หมายถึงบุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยคือ เวลาเราไปทำบุญกับใครเราก็มักจะได้สนทนาได้คุยกับเขาการได้คุยกับเขาเราก็จะได้รับความรู้จากเขานั่นเองถ้าเราไปทำบุญกับหมอไปทาบุญกับโรงพยาบาลเราก็จะได้ยินเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้ยินเรื่องวิชาความรู้ต่าง ถ้าเราไปทากับวัดเราก็จะได้ธรรมได้คําสอนของพระพุทธเจ้าในผลตอบแทนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเราได้ความรู้ทางอื่นเราก็นาเอาไปใช้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของทางร่างกายได้แต่สิ่งต่างๆความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ ความทุกข์ใจนี้จะดับได้ก็ต้องดับด้วยเพาะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเราต้องการธรรมะเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราจะไปทาบุญด้วยเพราะเราอยากจะฟังธรรมท่านถึงเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าทาบุญกับพระธรรมดาก็จะได้บุญสิบเท่า ถ้าทําบุญกับพระที่ได้สมาธิก็จะได้ร้อยเท่าถ้าทําบุญกับพระที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะได้พันเท่าพระสะกิดาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอนาคามีก็ได้แสนเท่าพระอาราหันตาสาวกก็ได้ล้านเท่าถ้าทํากับพระพุทธเจ้าก็ได้หลายล้านเท่า พ่าความรู้ของแต่ละท่านนี้มีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองมีมากน้อยต่างกันเหมือนกับผู้ที่เรียนจบปริญญาระดับต่างๆผู้ที่มีปริญญาตรีก็มีความรู้น้อยกว่าผู้ที่จบระดับปริญญาโทผู้จบระดับปริญญาโทก็มีความเนะความรู้น้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาเอกถ้าเราต้องการความรู้มากๆ เราก็ต้องไปเรียนกับผู้ที่จบปริญญาเองฉัน้นใดถ้าเราอยากได้พระธรรมคำสอนที่สูงสุดเราก็ต้องไปศึกษากับพระพุทธเจ้าหรือพาอาาระอรหันตสาวกท่านเป็นผู้ที่จะให้ความรู้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างราบคาไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยถ้าเราไปทํากับพระอนาคามี เราก็จะได้ดับความทุกข์ไปครึ่งหนึ่งหรือ3ามสามในสส่วนยังเหลืออีกหนึ่งในสส่วนที่พผ้านาคามียังไม่สามารถที่จะดับได้ต้องเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าเราไปศึกษากับพผ้านาคามีเราก็ยังจะไม่ได้หลุดพ้นร้อยร์ยังต้องรอให้ไปได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือรอจนกว่าเราจะปฏิบัติ ได้ด้วยตัวเราของเราเองแต่ถ้าเราได้ไปคุยได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกนี้เราจะได้บรรลุได้อย่างรวดเร็วอย่างราบคาบอย่างร้อยเอร์ซตและการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตาสาวกนี้ก็มีความแตกต่างกันเพราะความสามารถในการสั่งสอน ของพระพุทธเจ้านี้มีมากกว่าพระอาหารหันตาสาวกพระพุทธเจ้ามียานที่จะสามารถอย่างดูใจของเราได้ว่าตอนนี้ใจของเรากำลังทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเป็นหมอก็สามารถวิเคราะห์โรคของเราได้อย่างแม่นยำคนไข้ามาหาบอกว่าปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้หมอก็วิเคราะห์แล้วก็ให้ยาอย่างถูกต้อง ก็สามารถที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ทันทีแต่ถ้าไปหาหมอที่ไม่เก่งเช่นเป็นหมอเพิ่งจบใหม่บางทีไปบอกว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หมอเขาก็วิเคราะห์ไม่ถูกก็ได้และอาจจะให้ยามากินที่ไม่สามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราที่เป็นอยู่ก็ได้เพราะยังไม่มีประสบะการณ์ไม่มีความสามารถ เหมือนกับหมอที่จบมาหลายปีทำงานมาหลายปีแล้วชั้นใดประสบปการณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการดับความทุกข์ต่างๆนี้มีมากมายมากกว่าพระอาลามตสาวกทั้งหลายดังนั้นทุกคนจึงอยากจะมุ่งไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเพราะเวลาฟังธรรมนี้จะมีการบรรลุ ธ, ธรรมกัรหลุดพ้นกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าใจของพวกเรากำลังทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรก็ทรงสามารถสอนให้ได้ตรงกับความทุกข์ของเราสอนวิธีที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วปัญหาของความทุกข์ของพวกเรานี้มันอยู่ที่ความอยากของเราอยากแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันบางทีเราก็ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยา บางทีเราก็ทุกข์กับงานการทุกข์กับเงินทองแต่ละเรื่องนี้มันก็มีความอยากต่างกันที่ทุกข์กับสามีก็เพราะอยากให้สามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กับเขาถ้าทุกข์กับการงานก็เพราะว่าอยากให้การงานนั้นดีให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่ให้ถดถอยพอการงานไม่เจริญไม่ก้าวหน้ามีแต่ถดถอย เราก็ไม่สบายใจดังนั้นเวลาสอนนี่ท่านจึงต้องสอนให้ตรงกับปัญหาของผู้ที่มีปัญหาอยู่คือความทุกข์ใจต่างๆจึงต้องสอนให้เขาแก้ให้ถูกวิธีถ้าแก้ถูกวิธีแล้วก็จะไม่มีปัญหาแก้ได้เช่นคนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินไป หรือคนที่ติดรสชาติในอาหาร<ม>จะไปสอนให้เขาพิจารณาความตายก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องให้เขาพิจารณาอาหารให้เขาดูอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายคือตั้งแต่อาหารที่อยู่ในจานแล้วเข้าไปในปากเข้าไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกมามถ้าเราเห็น กระบวนการของอาหารในในลักษณะต่างๆเราก็จะทำให้เราไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารอย่าไปมองอาหารที่อยู่ในจานเห็นแล้วน้ำลายไหลให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เราเคี้ยวบดมันแล้วก็ผสมกับน้าลายของเราซึ่งเราก็ว่ากำลังอรเฉดอร่อยก็ควรจะคลายออกมาดูหน้าตาของมันว่า อาหารที่อเรเฉดอร่อยนี้รสชาติดีนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรขายมันออกมาแล้วค่อยตักเข้าไปกินใหม่ดูว่าเราจะตักมันขึ้นมาได้หรือเปล่าตักกินเข้าไปใหม่ได้หรือเปล่านี่คือวิธีแก้าการติดรสชาติของอาหารพระพุทธเจ้าสอนให้พระฉันในบาทก็เพื่อที่จะแก้เรื่องของการติดในรสชาติให้อาหารทุกอย่างที่จะ ไปรวมกันในท้องนี้มารวมกันในบาศไว้ก่อนรวมใส่ไปไม่ว่าจะเป็นของข่าวของหวานจะเป็นขนมนมเนยใส่เข้าไปแล้วก็คนมันคุกมันให้เหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะลําไส้ถ้าคุกมันแล้วรับรองได้เวลากินนี้จะไม่ได้กินด้วยความยินดีจะกินด้วยความจําเป็นเหมือนกับการกินยา กินเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้กินเพื่อความอร ե ศอร่อยถ้ากินแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ติดกับอาหารจะไม่คิดอยากจะกินอาหารจะกินอาหารเฉพาะเมื่อถึงเวลาต้องกินเท่านั้นเหมือนกับการกินยายานี่ไม่มีใครอยากจะกินกันแต่ก็ต้องกินกันเพราะเราต้องกินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะกินตามเวลาที่หมอสั่ง อาหารนี่ก็เช่นเดียวกันเราควรจะกินเหมือนกับกินยาเพราะอาหารนี่ก็คือยานี่เองยาที่จะเยียวยารักษาดูแลร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าเรากินไม่ถูกลักษณะก็จะทำให้กลายเป็นการทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เช่นถ้าเราติดแต่รสชาติของอาหาร เราก็จะกินจนกระทั่งร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่เราก็จะไม่ยอมหยุดเพราะเราอร่อยมีความสุขกับการกินแต่ผู้ที่ต้องมารับเคราะห์ก็คือร่างกายร่างกายก็จะเสียหุ่นไปเสียส่วนสัดส่วนที่สวยที่งามไปกลายเป็นตุ่มไปและนอกจากนั้นยังมีโรคภัยต่า ง, างๆเบียดเบียนคนเรานี่ที่ เจ็บไข้ได้ป่วยกันก็อยู่ที่การรับประทานอาหารไม่รู้จักประมาณนั่นเองรับประทานเกินความต้องการของร่างกายร่างกายก็เลยบวมก็เลยพองกลายเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนมีความดันโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันโรค เพราะร่างกายมีน้ําหนักมากก็ทําให้เขานี้ชํารุดสุดทรงทําให้เดินเหินลําบากนี่คืออันตรายที่เกิดจากการที่เราไปติดในรสชาติของอาหารถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักเราต้องลดแบบที่วิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานคือให้เรามองเวลาที่มันอยู่ในปาก หรือเวลาที่อยู่ในท้องถ้าเราเห็นอาหารที่อยู่ในท้องอาเจียนออกมาเราจะไม่อยากจะตักเข้าไปจะไม่อยากกินแต่เวลาอยู่ในท้องเราเรากลับอยากไม่ไม่รังเกียจมันพออาเจียนออกมาท่านั้นก็รังเกียจมันจ้งทั้งๆที่มันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรืออะไรเลยแต่พอเราเห็นสภาพที่ไม่น่าดูของมัน เราก็จะไม่อยากจะรับประทานนี่คือวิธีแก้ปัญหาเรื่องของการติดในรสชาติของอาหารต่างๆเราต้องมองมุมกับอย่าไปมองมุมเดิมมุมเดิมก็คืออาหารที่อยู่ในจานอาหารที่กำลังดูดูน้าอาเรเดอร่อยน่ารับประทานให้มองมุมกลับบ้างมองเวลาที่อาหารที่เรารับประทานแล้วถ่ายออกมา เวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำนี่เราควรจะพิจารณาอาหารที่เรารับประทานว่านี่แหละคืออาหารที่เรารับประทานด้วยความ อ, ร, อร่อยตอนนี้มันกลายเป็นสภาพอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เวลาอยากจะรับประทานอาหารแทนที่เราจะไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเราก็ไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในซุ้มแทน แล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารจะไม่มีน้ำหนักเกินไม่ต้องไปเสียเงินไปเข้าฟิตเนสต้องไปออกกำลังกายไปเต้นแล้งเต้นกาให้เหนื่อยเต้นเสร็จก็ออกไปกินต่อแล้วอย่างนี้น้ำหนักมันจะหมดได้อย่างไงเข้ามากมันก็จะทำให้มีน้ำหนักมากเข้าไปน้อยมันก็จะมีน้าหนักน้อยไม่ได้อยู่ที่การไปเต้นแง้งเต้นกากัน กินให้มันน้อยแล้วไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสให้เสียเงินเสียทองกินน้อยๆ อ, อย่างพระนี่ฉันกันวันละมื้อเท่านั้นเองคนที่มาบวชที่วัดนี้เวลาศึกไปนี้ก็ว่าน้าหนักลดไปตั้งสิบกิโลเพียงสามเดือนมาอยู่ที่วัดนี้กินวัดละมือ้อสามเดือนก็ลดไปได้สิบกิโลอย่างสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดรสชาติของอาหารก็ให้เราลองใช้วิธีที่พระเจ้ทาทรงสอนให้ใช้ดูให้กินคุกอาหารก่อนที่จะรับประทานแล้วถ้าเป็นไปได้กินมื้อเดียวได้ยิ่งดีรับรองได้ว่าน้ำหนักจะลดไปได้อย่างรวดเร็ววิธีที่แก้ความทรมานเวลาหิวอาหารก็ให้ฝึกนั่งสมาธิ ให้บริการพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถ้าเราพุโทโธพุธโทโธเราก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องอาหารได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องอาหารความหิวที่เป็นความหิวส่วนใหญ่จะหายไปเพราะความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความคิดของใจที่ไปคิดถึงอาหารความอยากกินนี่แหละเป็นความหิวแต่ความหิวทางร่างกายนี้ไม่รุนแรง ถ้าเราไม่ได้หิวทางใจแล้วความหิวทางร่างกายนี้เราพอทนได้ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องวิธีการใช้ธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราได้ไปศึกษากับผู้ที่รู้ธรรมะผู้ที่ฉลาดในการใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาเขาก็จะสามารถ สอนวิธีที่แก้ปัญหาให้กับเราได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะหมดไปนี่คือเหตุที่ทำไมที่เราต้องเลือกทำบุญกับคนถ้าเราต้องการความรู้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่ต้องการความรู้เราเพียงแต่ต้องการความสุขใจความสบายใจเราทำกับใครก็ได้ ทำกับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้พ่อแม่ของเราก็เป็นพระอาหารหันของเราอยู่แล้วไม่ต้องไปหาพระอาหารหันตามวัดต่างๆเรามีพระอาหารหันสองคนอยู่ที่บ้านเราทำบุญกับพ่อกับแม่เราก็ได้บุญเท่ากับการไปทำบุญกับพระอาหารหันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันนี่คือเรื่องของการทำบุญต่างๆเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้า อ, อกเข้าใจจะไม่ได้หลงผิดอยากไปคิดว่าวันนี้กินเจแต่ไปแต่ไม่รักษาศีลอย่างนี้แล้วคิดว่าจะได้บุญอันนี้ไม่ได้บุญแต่อย่างใดกินเจแต่ไม่ทําบุญทําทานไม่รักษาศีลไม่เจริญปัญญาไม่นั่งสมาธิไม่เป็นบุญแต่อย่างใดเหมือนกับวัวกับควายเขาก็กินผักกินหญ้า เขาก็ไม่ได้ทำบุญทำทานเขาก็ไม่ได้รักษาศีลเขาก็ไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็ไม่ได้เจริญปัญญาแล้วเขาจะอาบุญมาจากที่ไหนดังนั้นถ้าอยากจะกินเจแล้วแล้วให้ได้บุญเราก็ต้องรักษาศีลอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดแล้วก็ทำบุญใส่บาท แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆเช่นพิจารณาความไม่สะอาดของอาหารความน่ารังเกียจของอาหารเพื่อแก้การติดในรสชาติของอาหารเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายของเราให้มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยต่างๆนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทาบุญ ก็ขอให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติแล้วความสุขต่างๆและการหยุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้